รุ่นเราเนี่ยนะมีอายุเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณสองพันวันนี่ไม่มากเลยนะอย่างผมเนี่ยนะเมื่อผมประมาณสองพันวันอีกหลายท่านในนี้ก็ประมาณนั้นนะ่ะนะหรืออย่างดีก็าบางคนก็ชักสามพันนะสิพูดถึงรุ่นๆกับผมนะเพราะฉะนั้นสองพันวันนี่ไม่มากเลยนะแวบวันหนึ่งแวะมึงแวดวันน่ะถามวันหนึ่งเราได้อะไรไปม้าง <laughs> วันหนึ่งเนี่ยเราได้สาระอะไรไปบ้ า, เาเงเนี่ยโอ้โหมันทําให้เราต้อง คิดมากนะต้องรีบเข้าไปหาตู้พระตายพีด ก, กันนะนีะ่นะไม่นานเลยนะสองพันวันเนี่ยตีเราอายุเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมอาจจะตายของก็ได้นะเอาละว่เาเจ็ดสิบห้าละนะเรามีบุญมากแล้วนะตามเกณฑ์ตามเกณฑ์เนีเนเยนะสอง0ันวันนี่ไม่มากเลยนะแล้วสองพันวันน่นนะไอ้วันท้ายๆนะ วันที่พันห้าร้อยถึงสองวันที่สองพันเนี่ยนะก็โปล่ก็เพลงแล้วนะเริ่มก็โปล่ก็เพลแล้วนะเริ่มก็โปลก่ก็เพลแล้วอาจจะไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่จริงนะแต่อาจจะไม่มีโอกาสทํากุศลเลยที่จะเพิ่มภูนกุศลหรืออาจจะเข้าไปเยี่ยมไม่ได้แล้วนะเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะรุ่นรุ่นผมเนี่ยยังคุยกันกับเนี่ยคุณนภาเลยบอกว่าเมืองวันเนี้ยนะบอกเออเราเนี่ยนะเวลามันหรือขนาดเนี่ย ฐาเวินเราจะไม่พูดให้ใครเดือดร้อนทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อหน้าก่อนนะแล้วค่อยๆเปล่ามาตอนรับหลังนะคือต้องตั้งเป็นขั้นๆก่อนนะไม่ใช่ปูปรับจะให้มันสมบูรณ์เลยนะอ้างไม่พูดให้ใครเดือดร้อนทั้งต่อหน้าและรับหลังนะใหม่ๆต่อหน้าก่อนนะแล้วต่อมานี่รับหลังเราก็จะไม่พูดนะจะพูดคนอื่นและต่อมาคืออะไร starter. รู้ไหมแม้แต่คิดแม้แต่คิดความไม่ดีในผู้อื่นนะก็จะต้องขจัดไปด้วย จะมันก็ต้องเป็นกันขั้นๆอย่างนี้นะไม่ใช่อยู่ดีๆไม่คิดไม่ได้ว่าหมาๆนะจิตเราอกุศลจริงแต่ไม่ล่วงมาเนี่ยนะเราฝึกได้นะไม่ล่วงมาทางวาจาเนี่ยเราฝึกได้นะแต่ไม่ให้ล่วงด้วยนะแล้วก็ไม่ให้มันเกิดที่จิต ด, ด้วยเนี่ยนะยากใช่ไหมแล้วขณะที่เราฝึกเนี่ยนะเมื่อมันเกิดที่จิตเนี่ยนะตอนแรกมันจะเกิดนานนะค่อยๆฝึกก่อนว่ า, าให้มันเกิดน้อยจนกระทั่งโยนิโสจนกระทั่งมันมันเกิดนิดเดียวหรือไม่เกิดเลย เนี่ยนะยิง่งยิ่งยากหนักอีกเพราะฉะนั้นศีลก็ไม่ใช่รักษาง่ายเหมือนกันนะแต่แ ต, แต่ต้องต้องทาเพราะไม่งั้นนะเสียมวยเลยนะสวให้ <c oughs> <c oughs> อโอน่ากบุดแล้วนะนั่นน่ะนั่นน่ะอ้ยเรานี่โดนดีๆทนเป็นอุบัติเหต ก็ามาคืนเนี่ยผมยกตัวอย่างอ่ะบอกว่าของเราทำบุญกันมาเท่านี้นะก็เรียนแบบนี้แหละในเรื่องจิตที่ได้เคยกล่าวไปแล้วเนี่ยน ะ, ะซึ่งแบ่งเป็นอะกุศลจิตสิบสอง อาเหตุกาจิตสิบแปดเนี่ยนะและกา ม, มาวัาจระโสพนะจิตเนี่ยนะกา ม, มาวัาจระโสพนะจิตยี่สิบสี่นี่ในบรรดากา ม, มาวัาจระโสพนะจิตยี่สิบสี่ก็แบ่งเป็นมหาคุศล และจิตแปดนะมหาวิบากแปดมหากิริยาแปดมหากิริยานี้สำหรับพระอระหันต์ส่วนมหากุศลมหาวิบากก็คือบุคคลทั่ ว, วไป <c oughs> ครั้งก่อนได้พูดถึงว่าความสำคัญของชีวิตอยู่ที่ มหาวิบากแปดเนี่ยนะชีวิตจะเริ่มต้นจะดีหรือไม่ดีนยสำคัญมากก็คืออยู่ที่มหาวิบากแ8ดว่าดวงไหนอ่ะหนึ่งในแปดที่จะนำปฏิสนธิเนี่ยนะหนึ่งในแปดที่จะนาปฏิสนธิทีนี้พอนำปฏิสนธิปั๊บเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในคันของผู้ใดก็จะประกาศถึงมิตรเนี่ยนะเช่นก็คือบุคคลทั่วๆไปก็คือแม่เป็นมิตรนั่นแหละ แม่จะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแม่ก็คือพ่อจะได้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคู่นี้ก็เริ่มอบรมก่อนมาเป็นอันดับแรกที่เหลือก็เป็นญาตินะนะตามมาอีกก็โรงเรียนเป็นต้นเนี่ยนะที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่าเนี้ยซึ่งต้องมหาวิบากเนี่ยหล่อเลี้ยงชีวิตมาตลอดเลให้ให้เป็นไปเนี่ยนะให้รักษา เราจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็จนหนึ่งอ่ะนะอันนี้ถ้าพูดถึงปัจจัยภายนอกก่อนก็คือพ่อกับแม่ญาติสถาบันการศึกษาตลอดจนถึงเพื่อนฝูงมาเป็นต้นเนี่ยนะใช้คำว่าโรงเรียนนี่กว้างที่สุดแล้วนะจาวนินิด น, นะกว้างนะโรงเรียนนี่กว้างมันมีทั้งครูมีทั้งเพื่อนมีสรารพัดอยู่ในนั้นหมดเลยนะแล้วก็พอพ้นจากโรงเรียนก็งานเนี่ยนะก็ รอวันที่มหาวิบากเลิกทำกิจเรียกอะไรสุติเ น, นี่ก็ผ่านเั้นชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างการเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ก็ส่องเสพทีนี้ไอ้ระหว่างสับหวางอันนี้มันเรียกว่ามหาเอ่อมหากุศลหรืออกุศลที่จะมาสับหวางในในในใจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับภายนอกแลนะ้วไห สิ่งที่ติดตามมาก็คือกุศลกับอกุศลทีนี้ไอ้ความเป็นอกุศลก็มาจากอะไรว่าเฉพาะตัวตรงๆเลยก็คืออโยนิโสมนสิการถ้าเป็นกุศลก็มาจากโยนิโสมนัสิการสรับว่าโยนิสอกับอโยนิโสเป็นสับที่กว้างกว้างมากยกตัวอย่างเช่นว่า อโยนิโสที่จะทำให้เกิดอกุศลใช่ั้ยอย่างอากุศลที่มันเกิดเนี่ยปัจจัยคืออโยนิโสมนัสการนี่อกุศลเหล่านี้ก็มาแบ่งเป็นอะไรกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจะเนี่ยนะอุทจะกุกุจะวิจิกิจชาอันนี่ การมฉันทะเนี่ยต้องอโยนิโสในอะไรต้องอโยนิโสในสุภานิมิตนะกามฉันทะจึงจะเกิดต้องโยนิโสในปฏิฆานิมิตอ่าครับพี่อโยนิโสมนั ส, สการในปฏิฆานิมิตพยาบาทจึงจะเกิดอโยนิโสในความขี้เกียจความง่วงความอืดความอะไรทั้งหลายแหละนะก็พวกนั้นกนะ่อให้เกิดขีณามิทัหรือ คิดถึงความชั่วที่ตัวเองเคยทำความดีที่ยังไม่เคยทำเป็นต้ น, นะนะน้อมเพื่อจะคิดอย่างนั้นมากๆอุทัจะก็เกิดอุทะจะกูกุจะก็เกิดขึ้นหรือน้อมไปบอกไปให้เรื่องนั้นมันก็น่าสงสัยอ่ะนะไปให้ค่ากับไอความสงสัยมากเข้ามากเข้าอันนั้นก็เป็นเหตุอะโยนิสโสมนศิการเพื่อให้เกิดวิจิกิจชาซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากมิร ด, ด้วยเหมือนกัน นนะที่เป็นอย่างนั้นนะที่จะมาโยนิโสแบบนี้อ่ะอโยนิโสมณัสิการแบบนี้ก็อาศัยเนี่ยที่เคยเกี่ยวข้องมาสิ่งแวดล้อมเพื่อนฟูงอะไรทั้งหลายแหละที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องพวกนี้จะเป็นปัจจัยแห่งอโยนิโสมณัสิการทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอย่างที่เรากโกรธอ่ะที่เราชอบอะไรบางอย่างนะพอาไปเห็นคนอื่นเขาชอบมาเรานึกชอบบ้างเนี่ยนะนึกบางทีก็อาศัยสิ่งแวดล้อมมันพาไปอ่ะนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเรานึกชอบเรื่องนั้นขึ้นมาเองอ่ะนะอย่างอาหารบางอย่างนี้เขาชวนว่าอร่อยนะร้านนั่นน่ะเราก็ลองไปนะเขาชวนครั้งเดียว น, นะที่เหลือเราชวนเขาเองอย่างนั้นก็คือพวกลักษณะนั้นอ่ะทั้งพวกมิตรหรือบางอย่างนะว่าโดยรวมๆก็อาศัยภายนอกก่อนสังคมสิ่งแวดล้อมอสังคมสิ่งแวดล้อมนี่ทางเราถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศ ในปฏิรูปประเทศเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่มิตรล่ะมิตรอันนั้นจะเป็นมิตรแบบไหนอกุศลเกิดขึ้นให้รู้ว่ามาจากตาประมิตรกุศลเกิดขึ้นมาจากกาลยานมิตรเนี่ยนะก็มาจากมิตรเพราะมิตรก็แบ่งออกเป็นสองส่วนนะทีนี้ถ้าครบตาประมิตรที่สมบูรณ์อันนครบตาปะมิตรที่บริบูรณ์กับครบกาลยานมิตร ที่บริบูรณ์เนี่ยผลก็แตกต่างกันไปใช่ไหมถ้าเขาปาปมิตรมากอะไรมากมาอสัตรธรรมเนี่ยมากอสัตรธรรมะสาวนา่ะเธอฟังอสัตรธรรมเนี่ยมากถ้าเข า, าปาอากลายนามิตรก็ฟังะนะฟังสัตรธรรมเนี่ยมากอนะอันนี้ต่อด้วยอะไรก็ศรัทธาเป็นต้นนั่นเอง น, นข้างบนก็ต้องไม่มีศรัทธานะถ้าไม่ได้ฟังธรรมจะไปมีศรัทธาได้ยังไงก็เมื่อคบปาปะมิตรมากขึ้นก็ฟังอาศัศธรรมคือฟังเดราชาเป็นต้นเดราชาคาถาเป็นต้นมากขึ้นความไม่มีศรัทธาก็มากขึ้นเมื่อไม่มีศรัทธาะอะไรเกิเดอโยนิโสก็มากขึ้นใช่ไหมอโยนิโสมากขึ้นคือเนี่ยมาคิดเรื่องนี้ให้มากเนี่ยคืออโยนิโสที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพ็ ค, คิดเท่าไห ร, ร่ปั๊บก็ส่งเสริม อกุศลจิตสเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทั้งๆ ท, ท, ที่พื้นฐานเดิมคือผวังมาใช่ไหมผวังทจิตเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตของบุคคลนั้นนะนะ ท, ทางมโนโวิญญาณจะขึ้นต้นด้วยภวังก่อนอาศัยมโนกฐามะเกิดมโนโวิญญาณก็คือผวังอันนี้นี่แหละกับสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไปเกี่ยวข้องในการรับอารมณ์ทั้งหลายแหละเกี่ยวข้องมาก็ก่อให้เกิดอกุศลทั้ง12เกิดขึ้นเห็นไหมทั้งท่า เมื่อคบปาประเมิตมากฟังอสัตธรรมมากความไม่มีศรัทธาก็บริบูรณเมื่อไม่มีศรัทธาก็อโยนิโสอโยนิโสมากก็อินทรีย์สังวรก็ไม่มีไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเอ่อไม่มีสติสัมปชัญญะทําให้ไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเป็นต้นเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยแห่งบาปทั้งนั้นเลยสรุปนะที่ที่เราไปสแสวงหานิมิตก็คือเนี่ยสแสวงหา สุภา น, า, านิมิตบ้างปฏิฆานิมิตบ้างหาที่นอนบ้างนิมิตของถีนัมิธานเนี่ยนะนิมิตหรือไปนึกถึงไอ้สิ่งที่ตัวเองทำไว้ไม่ดีบ้างนึกถึงความที่ตั้งแห่งความสงสัยบ้างก็นิวรหก็กลุ่มรุมพอนิวรหกกลุ่มุมเ น, น, นี่ยอะไรเป็นอาหารอนิวรหเป็นอาหารของอะไรอาวิชาเนี่ยจะบริบูรณ์ เนี่ยนะอาวิชาที่เป็นรากเง่าจะบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นอ้วนท้วนทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะเพราะอาหารมันดีนนะปุ๋ยมันดีมากเลยพันนี้เจริญเติบโตงามมากแต่ในฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะอยู่ในปฏิรูปประเทศครบกัลยาณมิตรซึ่งเป็นปัจจัยให้ได้รับฟังพระสัธรรมมีศรัทธาแล้วก็โยนิสมนสิการมากขึ้นพอโยนิสมนสิการสติสัมปชัญญะก็ ดีขึ้นพอสติสัมปชัญญะดีเห็นไปเห็นสิ่งที่ควรเห็นฟังในสิ่งที่ควรฟังทราบสิ่งที่ควรทราบไปนึกคิดเรื่องที่ควรนึกคิดอันนั้นก็เป็นอาหารอย่างดีของสุจริตเนี่ยนะที่จะศีลจะดีได้ก็เนียกว่าสุจริตนั่นแหละคือศีลทีนี้ศีลจะดีเท่าไหร่เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นบาตแห่งการเจริญสติปัฏฐานมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะสติปัฏฐานที่อบรมได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่า อ บ, บรมกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มากเท่านั้นเนี่ยนะก็ใกล้ห่งความตรัสรู้ไปมากเท่านั้นใกล้ความตรัสรู้เท่าไหร่ใกล้ความพ้นทุกข์ก็มากเท่านั้นนั้นเป็นปัจจัยแห่งวิ ช, ชาและวิมุตต์ในที่สุดก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทาปรินิพานนั้นชีวิตของของเราทั้งหลายที่จริงๆแล้วในขณะที่ดำรงคืออยู่คือดำรงอยู่ด้วยภวังนั้นภวังอันนี้ชื่อหนึ่งว่าอุปาติภพ เรียกว่าอุปาติภพอุปัติภพอันนี้คือภพที่อุบัติขึ้นเป็นผลของบุญใช่ไหมบุญเนี่ยมานําเกิดแล้วบุญที่มานําเกิดเนี่ยก็มาจากเนี่ยสายกุศลที่ที่กล่าวไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้รู้ว่าเป็นผลของสุดจริญกรรมเนี่ยนะผลของสุดจริญกรรมนั่นเองทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์ พอมาเกิดเป็นมนุษย์เข้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็มาดูอย่างทุกวันเนี่ยถ้าตรงกันข้ามถ้าเป็นทุจริตกรรมก็จะให้ผลปฏิสนธิในอบายเนี่ยนะ ทีนี้ปกติชีวิตของทุกๆ ท, ท่านเนี่ยนะก็คือมหาวิบากก่อนนะทุกวันเนี่ยมหาวิบากให้รู้ว่าเป็นผลของกุศลในอดีตใช่ไหมเป็นผลของกุศลในอดีตละที่นำเกิดมาดีละอย่างงี้ยส่วนที่สำคัญก็คือทำยังไงมหาวิบากอันนี้จะเป็นปัจจัยแก ม, มหากุศลใหม่นี้น่ ซึ่งมหากุศลตัวที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์คืนน่ะคือศีลเน้นพิเศษคือศีลตัวที่จะทำให้ไปสู่สุคตินะตัวทานจริงๆแล้วอ่ะทานนะเจตนาไม่ใช่เป็นตัวรับรองว่าไม่ไปอบายแต่ตัวที่รับรองว่าไม่ไปอบายคือศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศีลก็เท่ากับอะไรสุจริสุจเรศสาม อ น, นสุจริสามก็ประกอบไปด้วยกายสุจริสามใช่ไวจีสุจริสี่แล้วก็มโนโอีกสามเท่ากับสุจรรตกุศ ล, ลกรรมมาบท1ิบนะแต่ทานนะกุศลก็นับเนื่องในกายอ่ะนะนับเนื่องในกายสุจรรตเป็นต้นน้นนะในขณะที่ให้ทานนะ ว่าโดยรวมๆแล้วถ้ามหาวิบากเป็นฐานแก่มหากุศลอย่างนี้เนี่ยนะมหากุศลเหล่านี้เนี่ยก็มาแบ่งไงดวงที่เจ็ดจะนำเกิดในภพหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หสามารถให้ผลนำเกิดในภพที่นะภพที่สามเป็นต้นไปเนี่ยนะก็แบ่งอย่างงี้นั้นสำคัญที่สุดเนี่ยถามว่า ยินดีจะรักษาสุจริตเหล่านี้ให้บริบูรณ์ไหมถ้ายินดีจะรักษาสุจริตสามเหล่านี้บริบูรณ์อันนี้เขาเรียกว่ามนุษยธรรมเดีย๋ยนะมนุษยธรรมก็ได้มนุษยธรรมก็ได้อ่ทาทในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมบทถ้าทำได้อย่างนี้คือรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้ถ้าเป็นการค้าขายนะแค่รักษาต้นทุนคือรักษาต้นทุนเอาไว้ได้นะ ว่าลงทุนไปแล้วมันไม่แน่ว่าทำไมจะได้ทุนปืนหรือเปล่านะไม่ต้องพูดถึงกำไรเหมือนกันแต่อันนี้คือรักษาทุนเดิมไหมนะยังเร็วที่สุดเกิดเป็นมนุษย์อีกอถ้าเป็นอย่างนี้ให้ถือว่าคนปกติอย่างที่กล่าวไปนะอันนี้แค่ความเป็นมนุษย์ที่ปกติธรรมดา ท, ทั่วไปไม่ใช่คุณธรรมที่ยิ่งกว่ามนุษย์อะไร